ด้านที่สองข้อ บ, บุกร่องของกามเองท่านมแสดงโดยอุปมาต่างๆซึ่งมีกล่าวถึงบ่อยๆว่ากามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักหนึ่งเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียและหิวโหวยเขายนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้ก็แทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อน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 ตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักวางใจก็จะเดือดร้อนแสนสาหัส 3. เปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงย่าลุกโพลงเดินทวนลมไม่ช้าก็จะต้องทิ้งเสียมีฉนั้นก็จะไหมมือไหมแขนและอ ว, วัยวะต่างๆอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสส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 พอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดาย6เปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเข้ามาเอาออกแสดงดูโกเกรูราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวความชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวและยังไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิ์ของตนแท้จริงเจ้าของ ซึ่งเปรยียบเทียบกับธรรมชาติตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องขืนเข้าไปที่นั้นเมื่อนั้นไม่มีทางพรอนปลนส่วนตัวเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็ปลุกไป7เปรียบเหมือนต้นไม้มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกผลเขาจะได้ด้วยวิธีใดก็ใช้วิธีนั้น ผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้า ย, ายานิสัยพานมีมีดมีขวานก็จะตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ลมทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปในข้อนี้เทียบความในยะาหนึ่งว่าการมสุ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 ไม่รู้จักยอมเลิกละสละปลอยเสียบ้างก็จะต้องถูกต้นไม้ล้มทับเอาให้ได้รับความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสข้อที่8เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับข้อที่9เปรียบเหมือนหอกและเหลา มักจะคอยทิมแทงให้ได้แผลไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เจ็บน้อยก็เจ็บมากข้อที่ส0เปรียบเหมือนหัวงูเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตปล่อยโปรงได้แท้จริงอาจชกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอ ข้อเสียหรือจุดบกพร่องของการมาสุกนี้อาจกล่าวโดยย่อว่าความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอำนวยให้เพียงชั่วครู่ยามในเวลาที่เสพแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟน้นติดตามฝังใจเป็นนานแสนานานเท่านั้นยังมีหนำแม้ส่วนที่เป็นความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละ เมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วอย่างทิ้งความเสียดายหวนอะไรเอาไว้ทรมานใจคนบางคนให้พิ่รรำพันไปได้อีกนาน